นี้ถามว่าผู้ที่ไม่เห็นว่าเที่ยงว่าสุขว่างามเนี่ยคิดอย่างนี้มากๆเนี่ยจะเบื่อหน่ายไหมในกองทุกเบื่อหน่ายตรงกันข้ามกับอะไรตรงกันข้ามกับความเพลิดเพลินนะนะตานหาเนี่ยเพลิดเพลินใช่ไหมเมื่อไปเห็นทุกมากๆก็เบื่อหน่ายในทุกสูตรของเขาเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดอันนั้นแหละคือมักขสัตใช่ไหมความคลายกำหนัดคือมักขสัตเมื่อมีสิ่งที่ไม่ใช่ทุกสมุทัยเหล่านั้นเป็น อารมณ์เนี่ยนะพระองค์ก็ประกาศอาริยศัสตร์ในตอนสุดท้ายเนี่ยนะสมัยนั้นเขาฟังเขาก็บรรลุของเราก็ได้อุปนิสัยนี่มาดูหน้า234วิจัยหาระนิเทศวิจัยหาระก็คือวิธีพิจารณาวิจัยก็คือพิจารณานั่นเองนะพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองคนคิดวิเคราะห์ก็ได้ ก็เป็นการพิจารณาสิอสิบเอ็ดบทนี่นะที่พระมหากจรยนะท่านกล่าวว่าวิเคราะห์ศัพท์ว่าวิจิยันติเอเตนะเอถาติวาวิจโยบทปุ ช, ชาวิสัชนาเป็นต้นย่อมถูกพิจารณาด้วยวิธีนี้หรือในวิธีนี้ก็คือวิธีพิจารณาบทเป็นต้นนั่นเองเพราะนั้นหระ าระคืออะไรวิธีกําจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ด้วยด้วยวิธีไหนวิธีการพิจารณาพิจารณาความหมายสิบอ็ดอย่างเนี่ยนะพอไปเจอพระไตรปิฎกเจอพยัญชนะในพระไตรปิฎกก็เอาหลักการสิบอ็ดอย่างนี้ไปไปพิจารณาเนี่ยนะหลักการสิบอดอย่างมีอะไรบ้างคือหนึ่งบทสองปุชชาสาวิสัชนาะสี่คำหน้าคําหลัง 5. อนุขีติ 6. อัสสาเจ 7. อาทีนวะ 8. นิสรณะ 9. ผล 10. อุบาย 11. อานัตแต่ถ้าดูตามพยัญชนะเนี่ยนะก็เอาหลักการของพระไตรปิฎก ด, ด้วยเหมือนกันเป็นการเข้าไปพิจารณาทั้งโดยสุตตาธิเป็นต้นเนี่ยนะสุตตะเคยะว ย, ยาการณะคาถาอุทามิติพุตกะชาตากะอภูตธรรมเวทละด้วย เลยตอนล่างก็สรุปเป็นคาถาว่าการพิจารณาคำถามก็ดีการพิจารณาคำตอบก็ดีการพิจารณาการกล่าวที่สมควรกับอัดของสูตรก็ดีพิจารณาบทของสูตรก็ดีพิจารณาอัดสาธาเป็นต้นก็ดีเรียกว่าวิจัยหาระหรือวิจยะหาระเนี่ยนะก็เป็นการเข้าไปวิจัยวิจัย11ออย่างนะข้อแรกก่อนว่าบทวิจัยวิจัยบท การวิจัยบทนี้ก็คือคำว่าบทคืออะไรอักข ร, ระสมุหะอักขระสมุหะแปลว่าการประชุมของอักษรทั้งหลายเรียกว่าเรียกว่าบทบทในภาษาบาลีมีอยู่สีอย่างนั่นนะคือนามอาขยาตนิบาตอุปสรรคนั่นนะนามอาขยาตนิบาตอุปสรรคเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาวิเคราะห์ดูอย่างฝึกศึกษาบาลีนะเราถือว่ามาเป็นนักศึกษาบาลีพิเศษสักวันหนึ่งก็แล้วกัน คือในบาลีบทว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยนะเป็นศัพอะไรก็มาวิเคราะห์ดูตัวปูชาศัพเนี่ยหมายถึงเสียงนะศัพก็มาจากสัทธะสัทธะแปลว่าเสียงหรือคำว่าสัทธะแปลว่าสิ่งที่เป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณนะอารมณปัจจัยนะเสียงคืออารมณปัจจัยอะโสตายศัทธายตนะเป็นอารมเป็น ปัจจัยแก่โสตะวิญญาณและทำที่ประกอบกับโสตะวิญญาณด้วยอำนาจอารมณะปัจจัยนี่ก็เสียงแปลว่าอารมณ์ของโสตะวิญญาณมก็ที่เหลือก็เป็นการวิเคราะห์ศัพท์นะวิเคราะห์ศัพท์นี่เหมาะกับใครเหมาะกับพวกนัยยะเ <c oughs> นี่ยเขาเลยวิเคราะห์ศัพท์ให้ในัยยะดูนัยยะเลยเห็นแลวท้อเลยอ่ะเขาว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> บากว่าสภาพใดย่อมถูกออกเสียงเหตุนั้นสภาพนั้นชื่อว่าสัทธะหรือศัพ์เสียงเนี่ยนะก็เปล่งออกมานั่นแหละไม่มีอะไรหรอกที่ดังๆดังดเนี่ยถ้าทางธรรมะเนี่ยนะเขาเขามาคิดหมดเลยเออเสียงเนี่ยตัวที่เปล่งเป่งดังๆดังๆออกมาไอ้ดังๆอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของจิตอะไรแล้วมันเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นสมุธฐานแล้วเสียงดังๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วมันมีฐานมาจากอะไรมีคอเป็นฐานหรือว่ามี ปุมเหงือกเป็นฐานมีลิ้นมีโคนลิ้นกลางลิ้นหรือปลายลิ้นเป็นฐานหรือว่ามีรายฟันเป็นฐานหรือว่ามีริมฝีปากเป็นฐานเนี่ยนะที่หลุดออกมาเป็นแต่ละคําแต่ละคำนี่เข้ามาคิดหมดเลยเนี่ยนะเอามาคิดว่าเสียงเหล่านี้มาอย่างไงแล้วจิตที่ทําให้เปล่งเสียงเหล่านี้มันเกิดจากจิตชนิดไหนเนี่ยนะแล้วก็มาแบ่งวาระว่าจิตเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่เสียงหรือว่าอากุศลเป็นปัจจัยแก่เสียงหรือว่าอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่เสียงยังไงนะก็มาคิดทั้งหมดแต่ถ้ากล่าวโดยเสียง เสียงมีอยู่สองชนิดใช่ไหมตามสมุธฐานคือจิตสมุธฐานกับอุตุสมุธฐานอย่างพัดลมที่กําลังดังนี้เป็นต้นเป็นอุตุสมุธฐานในส่วนคําพูดที่เป็นพระไตรปิฎกทั้งหมดมีจิตเป็นสมุธฐานเนี่ยนะเป็นจิตตชรูปคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีจิตอะไรเป็นสมุธฐานมหากิริยาจิตที่เรียกว่าสัพพัญยุตยานหรือมหากิริยาญาณสัมปยุตเป็น สมุทฐานทีนี้มหากิริยานันสัมปยุทธอันนั้นเนี่ยพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีนะมีปฏิสัมพิทาตัญญาอันนั้นเป็นปฏิสัมพิทาขณะที่เปล่งออกมาเนี่ยด้วยอํานาจนิรุตติ ป, ปฏิสัมพิทาที่มีสัพพัญยุตยานเป็นเป็นผู้กํากับดูแลทีนี้สัพพัญยุตยา น, นี่ถูกกระตุ้นเตือนด้วยมหากรุณาสมาบัติยานเนี่ยนะมหากรุณาสมาบัติยานก็มียานอย่างอื่นเป็นปจัจจัยแล้วก็มีอรหัตตมรคยานของพระ อ, องค์ และอรหัตธรรมคยานอนั้นอาศัยบารมีสิิ์เป็นต้นที่บ่มมาเป็นอย่างดีมาเป็นอุปนิสัยที่จะมาแสดงธรรมะหนึ่งคำออกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะหนึ่งหนึ่งคำที่เปล่งออกมาที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นธรรมรัตนะเนี่ยธรรมรัตนะมีค่ายิ่งกว่าแก้วอีกเนี่ยนะอย่างเช่นพระราชาบางองค์งสมัยสมัยก่อนเนี่ยนะพอได้ฟังคําว่าธรรมังนะธรรมะเนี่ยท่านให้หนึ่งแสนแต่บอกว่าพระราชานี่ให้แสนเดียวอันนี้ไม่ได้เรื่ออะไรนะ แล้วบอกว่าท่านพูดแล้วจะคิดกันเทศหรือเปล่าเนี่ยนะอย่าไปคิดเป็นอื่นนะนี่เป็นบาป <Okay. S 1> ือพระเจ้ากปินะใช่ไหมบอกว่าธรรมะเนี่ยให้แสนหนึ่งเลยเสร็จ แ, แล้วเมเหสีก็ไปเอาไปให้เมเฮศีอีกเมเฮศีก็บอกว่าพระราชาบูชาเท่าไหร่บอกให้แสนเดียวบอกฉันให้สามแสนมเหสีหนักก่อีกแต่ก็เขามีอีกเรื่องหนึ่งคือที่ที่พราหมณ์เขาไปไปไล่ค า, าถา เนี่ยนะว่าคาถาเนี่ยเป็นคาถาควรแก่ร้อยหรือควรแก่พันเนี่ยนะนะเขบอกว่าสตารหะเนี่ยนะหรือสหัสสารหะเนี่ยนะคาถาเนี่ยควรแก่ร้อยหรือควรแก่พันพราหมเขาก็ไปไล่ไปเล่าให้พระราชาฟังว่าคาถานี่ราคาร้อยหนึ่งนะเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ท่านก็ฟังคาถานั้นแหละพรองบอกว่าคาถานี้ไม่ใช่ราคาร้อยหนึ่งหรอกเราต้องพันหนึ่งจริงๆแล้วพระราชาคือพระโพธิสัตว์คิดเลยจริงๆคาถาเนี่ย สมควรแก่ราชบัลลังก์ด้วยซ้ําไปแต่ว่าคนที่มากล่าวเนี่ยเขาบุญน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นให้พันหนึง่งแต่ว่าคนที่ที่เขาพูดเนี่ยเขาตั้งราคาเองว่าพันหนึง่งร้อยหนึ่งเขาเรียกว่าสตาระหะสตาสตาเนี่ยแปลว่าร้อยสตาสตังเนี่ยแปลว่าร้อยก็คือควรแก่ร้อยอย่า ง, ง น, นั้นทงนั้นธรรมะเนี่ยอย่างที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีค่าหาประมาณไม่ได้อย่างพระเจ้าอาโศกเนี่ยสร้างวัด8ปดหมพันวัดเนี่ย เพื่ออะไรเพื่อบูชาพระธรรมขันธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเขามีผู้ที่บูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาประมาณไม่ได้บางท่านก็ถึงก็เอาชีวิตนั่นแหละเปินบูชาทำเอาชีวิตบูชานี่ยทำยังไงก็คือด้วยการปฏิบัติโดยไม่อาลัยในกายและชีวิตถามว่าธรรมะนี้ดีขนาดไหนจึงต้องต้องไปทุ่มเททําตามขนาดนั้นเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามพ้นจากทุกจรเนี่ยนะนะก็จึงคุกทุ่มเทให้เต็มที่ใช่ไหม อย่างที่เขาประกอบอาชีพทางโลกทั้งหลายนี่ก็แทบอดตาหลับขับตานอนน่ะนะทำไมทุ่มเทให้ขนาดนั้นเพราะเขาถือว่าเมื่อลงทุนไปขนาดนั้นแล้วผลตอบแทนจะมาแบบนี้ก็เลยทุ่มเทมากในทางธรรมมากก็เหมือนกันก็ถือว่าคําที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นน่ะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงเขาจึงทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ก็ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ไปทําอะไรหรอกทำยังไงไม่ให้บาปมันเกิดน่ะนะหลักการเท่าีเท่านั้นน่ะทำยังไงห้ามบาปเจริญบุญกิดเท่ามเท่านั้น ทีนี้ในบรรดาเสียงเนี่ยนะซึ่งมีสมุทฐานสองคืออุตุเป็นสมุทฐานกับจิตเป็นสมุทฐานพระไตรปิฎกมีจิตเป็นสมุทฐานทีนี้ต่อไปนะเสียงนี่ก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกเสียงของกลุ่มอาระยะกับอนาระยะคือเป็นภาษาของพระอารยะกับพวกพวกไม่ใช่พระอารยะเนี่ยนะเสียงเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มอารยศัพท์เป็นเสียงที่ที่ประเสริฐเนี่ยนะเป็นเสียงที่เกิด มีพระอรหันต์เป็นสมุทฐานเหมือนกันเถอะไม่ใช่มีปุตุชนทั่วทวไปเป็นสมุทฐานเป็นภาษาของชาวมคตในภาษาทั้งหลายแหล่ทั่วไปท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยแสดงด้วยภาษาเดียวคือภาษาของชาวมคตเนี่ยนะเพราะในยุคนั้นภาษานี้ถือว่าเป็นภาษาที่เจริญที่สุดเนี่ยนะแต่ว่าสมัยนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะเขาก็ใช้อยู่คําไม่กี่คำละนมัสเตเนี่ยนะ ก็นมัสเตก็นมัสการอะนะก็เพี้ยนเพียนไปเยอะแล้วแต่อาจารย์เนี่ยคำนี้ก็ยังพอมีอยู่นะคำหลายๆคําก็ยังพอมีอยู่นมัสเตก็นมะแปลว่านอบน้อมใช่ไหมนามเนี่ยก็มาจากน้อมไปนะนมะก็คือนอบน้อมนั่นแหละนมัสการการก็คือการทำนะก็ทําความนอบน้อมอย่างนี้ภาษามคตนั้นเป็นภาษาที่สับเนื้อหาไม่มีการผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลง เป็นภาษาที่เจริญถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะคือ ท, ที่เทียบจากภาษาอื่นๆซึ่ต้องเครียกว่ายังไม่เจริญถึงเต็มที่นะอธิบายแล้วอธิบายอีกเพราะฉะนั้นธรรมะถ้ายังอยู่ในภาษามคตนี่จะเป็นแบบแผนที่มั่นคงก็มีคนพยายามแปลพระไตรปิฎกออกหมดเกลี้ยงแล้วก็ไม่รักษาศัพท์เดิมน้อยเลยนะกลุ่มนั้นเนี่ยตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรแล้วคำสอนนี่แทบไม่ค่อยเหลือแล้วยิ่งแปลมากยิ่งเปลี่ยนมากก็ความผิดเพี้ยนก็จะเริ่มไปอีก อันอย่างเราทั้งหลายเวลาศึกษาคําสอนก็ยังไงก็พยายามยืน น, นะเป็นคําแปลที่ต้องอิงอยู่ในในภาษาดั้งเดิมไว้ตลอดหลายๆคํานี่แปลแล้วไม่รู้จะเข้าใจว่ายังไงสัมพัชัญญาแปลว่าอะไรดีเนี่ยนะสัมพชัญญะแปลว่ายังไงสติแปลว่าอะไรแปลยากไหมแปลให้สมบูรณ์โดยอัดนี่นะแปลยากวิปัสนาแปลว่าอะไรดี แปลว่าสมมติเราแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งยังไงเนี่ยนะก็ต้องมาที่บายออกนะะนั่นคือนิยามเนี่ยไม่มีอะไรที่จะไปอธิบายได้ครอบคลุมภาษาของพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ายังอยู่ในภาษามาคตเนี่ยคนที่เรียนภาษาเรียนหลักธรรมมาเนี่ยหนึ่งคำคิดได้ร้อยในพันในไม่มีจบมีสิ้นถ้าแปลมาเป็นภาษาไทยไทยเนี่ยเอาหาราสิหกไปจับไม่รู้มันจะเป็นยังไงหมดนึกไม่ออกเลยนะเอ่อคำนี้มันมาจากภาษาไหนก่อน ท่นผู้ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะโดยเฉพาะใครที่มักจะแสดงธรรมเนี่ยเวลาเราพูดภาษาธรรมะเนี่ยนะที่เป็นภาษาไทยอะ่ะให้นึกถึงภาษาบาลีไว้ก่อนว่าคํานี้เนี่ยสัพ์เดิมบาลีท่านว่ายังไงแล้วต้นเดิมพระองค์แปลไว้อย่างไรอธิบายเอาไว้อย่างไรแล้วเราอธิบายเนี่ยอธิบายสอดคล้องตามตามคําสอนเหล่านั้นไหมอย่างเช่นสัมปชัญญะเราแปลว่ารู้ตัวรู้ยังไงรู้ตัวก็ ก็เคยถามหมอหมอท้ามีสติแปลว่าอะไรก็แปลว่าไม่เบลื่อเนี่ยนนะใครไม่เบลอก็คนมีสติหมดท่านนี้ถ้าแปลอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะขัดกันเองงั้นคุณมียอายุเท่าไหร่เจ็ดปีแล้วโอ้บรรลุแล้วเน่ยพรธเจ้าบอกว่าเจริญสติเจปีบรรลุเลยใช่ไหมอันแล้วนี้สติอะไรอะ่ะตั้งเจ็ดปีแล้วไม่เห็นบรรลุอะไรเลยนะกิเลสดูจะมีกําลังกว่าเดิมเลยซ้ําไปเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่นั้นถ้า สติเนี่ยถ้าให้อัดไม่ดีเนี่ยแทนที่จะดีกลายเป็นเสียไปเลยเพรา ะ, ะเราทั้งหลายเนี่ยนะอย่ารังเกียจภาษาพระพุทธเจ้าถ้าเรารังเกียจภาษาพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่ารังเกียจที่จะตรัสรู้ธรรมเหมือนกันถ้ารังเกียจพระภาษาพระพุทธเจ้าก็ลักษณะหนึ่งคือหันหน้าออกจากพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงหันหลังให้พระตนะตรายเนี่ยนะนก็เสื่อมอย่างเดียว นันปูชาศัพท์นี่ก็มาจากบทใช่ั้ยบทนี่หมายถึงอะไรการประชุม อ, กอักษรเรียกว่าบทหรือเป็นเครื่องให้รู้เนื้อความเนี่ยนะทีนี้บทในภาษาบาลีนะมีอยู่4อย่างอย่างที่เคยกล่าวไปว่าหนึ่งอะไรนามสองอขยาดสอุปสัพท์สี่ 4. นิบาศเนี่ยนะทีนี้ใน น, นามอาขยาดอุปสัรค์นิบาทเนี่ยนะถ้าเป็นนามเนี่ย มันก็จะแบ่งเป็นมีมีวิพัฒน์เข้ามาเกี่ยวข้องวิพัฒน์นี่แปลว่าแจกเนี่ยนะวิพัฒน์นี่แปลว่าแจกวิพัฒน์นั้นแบ่งเป็นสองวิพัตน์คือวิพัฒนามกับวิพัตน์อาขยาดวิพัฒนามเนี่ยนะก็คือสิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังส ม, สมิงสุเนี่ยนะพวกนี้ก็แปลว่าเป็นานามของอเป็นวิพัฒน์ของนาม ถ้าวิพัฒน์ของอาขยาดก็ติอันติสิทธมีมากพวกเนี้พอเป็นอาวิพัฒน์วิพัฒน์เนี่ยเป็นตัวมาแจกให้แจกว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งอะไรเนี่ยนะคือเป็นการวางตำแหน่งไว้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กล่าวเช่นอยู่ตำแหน่งในฐานะว่าใกล้นะเช่นพระพุทธเจ้านี้ประทับอยู่ที่อะไรเวลุวันใกล้เมืองใกล้เมืองอะไรเวลุวันเขามีนะ มีคนไปแปลเวรุวันมาใกล้เมืองสาวัตถีอ่านในเถระคาถาบอกโอ้แปลกันได้ไปว่าไปเรื่อยเวรุวันก็ต้องเมืองราชครือกนายปัตัยวดกเนี่ยนะเน้นไปคนแปลเขาบ้าไงของเขาเนี่ยนั่นพระวิพัฒนามมีอยู่เจวิพัฒ์เนี่ยนะก็สิสวิพัฒน่นะอย่างนี้เขาเรียกว่าสิวิพัตนเนี่ยนะปูชาเนี่ยนะเป็นเป็นประเภทสยามยันตบด เป็นพวกวิพัตน์นามไม่ใช่วิพัฒน์อาขยาตทีนี้ในวิพัฒน์นี่ก็มีตั้งเจ็วิพัตน์ใช่ไหมอย่างสิโยอันนี้ปฐมาวิพัตน์ใช่ไม้มอังโยทุติยาวิพัฒน์นาหีตติยาวิพัฒน์สะนังจะตุทีวิพัฒน์เนี่ยนะปันจะมีปันจะ ม, มีก็สมาหิเนี่ยนะฉัตถีก็สะนังสัตตมีก็ สมิงสุเนี่ยนะอันนี้เป็นปฐมวิพัฒน์ประเภทสีโยเนี่ยนะในนี้มีผู้เรียนบาลีมานะดีมากนะมูธนาด้วยคือคนที่เรียนบาลีมาบ้างเนี่ยฟังภาษาบาลีมันฟังแล้วมันไม่ค่อยเบื่อแต่ถ้าไม่ได้เรียนมาแล้วฟังแล้วสนุกไหมก็ให้รู้คร่าวๆไว้นะว่าถ้าเรียนพวกเรียนอภิธรรมมานะเขอบอกจิตนี่มีอะไระเสียงนี่มีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตเป็นสมุทฐาน พวกอภิธรรมยิ้มแป้เลยนะเออใช่เสียงมีจิตเป็นสมุทฐานหมาใช่อุตุเป็นสมุทฐานเสียงมีกี่รูปประกอบด้วยรูปแปดรูปทีนี้พอบอกว่าเสียงเนี่ยมาจากวิพัตอะไรเนี่ยพวกบาลียิ้มแปะพวกอภิธรรมไหมก็ก็อย่างนี้นะแต่ถ้าได้ทั้งสองอย่างก็เออก็น่าฟังดีเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เป็นการวิจัยบทเนี่ยนะวิจัยวิเคราะห์วิจัยศับเนี่ยนะวิจัยศัพท์วิจัยพยัญชนะว่าศัพท์เหล่านี้มันคืออะไร แต่ว่าจำง่ายๆว่าพระไตรปิฎกทุกพยัญชนะในพระไตรปิฎกมีจิตเป็นสมุทฐานอยู่ในภาษามคตเป็นภาษาของพระอริยะท่านพระอริยะท่านะนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงด้วยภาษานี้นี้ก็มีกฎเกณฑ์ทางภาษาว่าเออใช้วิพัฒนามนะวิพัฒนามก็เป็นปฐมาวิพัฒน์ยังไงของมาอ่านที่แรกก็ง่วงมากเลยเหมือนกันทีนี้ถ้า วิจัยปุช่าบ้างมาเรื่องคําถามคือเขามีปุช่าวิสัชนาใช่ไหมปุจชานี่แปลว่าการถามเนี่ยนะคือพิจารณาถึงคําถามท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นเป็นวิสัชนาคําว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยนะเป็นคําตอบไม่ใช่ลักษณะของคําถามคือถ้าเห็นคําปั๊บเนี่ยต้องดูก่อนว่าเอ๊ะคำนี้เป็นลักษณะคําถามหรือเป็นคําตอบเวลาอ่านหนังสือนะเรต้องดูให้ออกใช่ไหม อยู่ในประโยคคำถามหรืออยู่ในประโยคคำตอบอย่างในบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่เอลักษณะนี้เป็นคาตอบไม่ใช่คาถามทีนี้ถ้าเจอคำตอบที่ไหนต้องสาวไปหาคำถามที่นั่นอันนี้คือกฎเกณฑ์ธรรมดาที่บอกว่าเมื่อเห็นคำตอบคำวิสัชนาที่ใดใดบัณฑิตพึงยกคำุูชาขึ้นในที่นั้นๆนก่อนแต่ว่าเห็นคำตอบปั๊บต้องสาวไปหาคำถามเนี่ยนะ เพราะทุกอย่างในโลกเนี้นะมันจะลอยๆขึ้นมาไม่ได้คําพูดลอยลอยทั่วไปเขาเรียกอะไรเรียกบน่นคําพูดลอยลอยทั่วไปก็เรียกบ่นนะไม่รู้ไปยังไงมายังไงก็ว่าไปเรื่อยเยนะี่ยจริงๆบ่นก็คือคําตอบนะจริงๆอะ่ะเขาเขาตั้งไงในใจอยู่แล้วเขาจึงบ่นออกมาอย่างนั้นนะคําคําบ่นนี่ทั่วไปก็บอกว่านั่นแหละคําพูดลอยๆยไม่ต้องไปถามเหมือนกันทีนี้ลักษณะของคําถาม คำถามในในศาสนาเนี่ยลักษณะของคําถามเนี่ยอย่างตรงนี้ยกมาดูเป็นตัวอย่าง5้าอย่างคืออธิษฐโชตนาปุจฉาถามเพื่อต้องการรู้ในสิ่งที่ตนยังไม่รู้เรื่องนั้นไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยโดยประการทั้งปวงมืดหมดเลยนะก็ถามเพื่อจะอยากรู้ว่าอันนั้นมีอะไรบ้างคืออะไรเป็นยังไงเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าถามเพื่อจะรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้ อย่างเช่นบางคนเนี่ยได้ยินแต่คําว่าศีลมาศีลศีลนีน่เป็นยังไงศีลศีลดียังไงก็ก็มาถามผู้รู้นะเขาจะได้ตอบไปถามแบบคนไม่รู้ถามแบบนั้นเถอะอย่างที่สองเนี่ยทิฏฐะสังสันทนาปุฉาถามเพื่อที่จะเทียบเคียงในสิ่งที่ตนรู้มานะมีความรู้มาแล้วละ่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้ที่เรารู้มานะรู้ถูกหรือรู้ผิดก็ไปสอบถามกับกับ คนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยนะก็เรียกว่าถามเพื่อที่จ ะ, ะเทียบเคียงสอบสวนอย่างที่สามก็คือถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยนะวิมติเฉทนาปุชามเนี่ยนะถามเพื่อตัดความสงสัยเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนเดินทางไปถึงทางสองแยกอะนะไปซ้ายหรือไปขวาดีก็ถามเขาสัาหน่อยเนี่ยนะลักษณะนี้เหมือนกันก็เลยถามเพื่อที่จะตัดความสงสัย อย่างที่สีก็อนุมติปุจฉาถามเพื่ อ, ก า, อ, อาาการอนุมัติหรืออนุญาตคําถามการอนุมัติหรืออนุญาตประเภทนี้ก็คือถามเพื่อลักษณะที่เราวรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประชาคาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ประเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่คู่อันประชวคะถามอย่างนี้ก็คือถามเพื่อ อนุญาตอนุมัติหรือว่าถามเพื่อหาแนวร่วม嘛เนียถามเพื่อหาแนวร่วมอะจริงๆคนถามเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอะนะแต่ถามเพื่อจะให้คนอื่นเขาเห็นด้วยเห็นเป็นแนวร่วมนั่นเองส่วนกเกษตุกรรมมยตาปุจชาอันนี้ถามเพื่อจะตอบเองเนี่ยนะก็ถ้าตอบไปลอยๆหรือพูดไปลอยๆ เ, เนี่ยคนคนฟังเนี่ยเขาจับอะไรไม่ได้ั้นก็ต้องตั้งเป็นประโยคคําถามขึ้นมาก่อนแตเช่น กัตเมรำ ม, มากุศลากุศลกุศลเป็นอย่างไรนั่นนะตั้งคําถามนึกอยากรู้ขึ้นมาก็อธิบายไปใช่ไหมแต่ถ้าบอกกุศลคือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะแล้วก็ทําลายบาปทําลายอกุศลกุศลมีทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าพูดไปเรื่อยไปอย่างนี้เลยพูดไปถึงไหลแล้วจับอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าถามว่ากุศลคืออะไรกุศลมีกี่ประเภทเนี่ยนะแล้วก็กุศลเนี่ยจะ บำเพ็ญได้ยังไงทําแล้วดียังไงมีวิธีการทํากี่อย่างถามแบบนี้ไปเรื่อยถ้าต่อไปเออมันก็ฟังก็เข้าใจง่ายอันนี้เรียกว่ากะเถตุกกรรมมยตาปุชชาถามเองตอบเองทีนี้ผู้ที่จะพิจารณาคําถามจะต้องพิจารณาแม้กระทั่งว่าคําถามนี้เป็นถามเป็นสัตตาทิฏฐานหรือธรรมาทิฏฐานคือถามสัตตาทิฏฐานเนี่ยหมายถึงว่าถามโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคล หรือถามในแง่ธรรมะคือธรรมะคืออะไรกุศลอกุศลขันยตนาท่าเรียกว่าธรรมะสัตว์ก็คือสัตว์บุคคลหญิงชายพ่อแม่ลุงป้าหน้าอา น, นี่เรียกว่าบุคคลก็มาพิจารณาดูคําถามมาถามลักษณะไหนแล้วคําถามเนี่ยถามแบบที่ตั้งอันเดียวหรือหลายหลายที่ตั้งเรียกว่าเอกาทิฐานหรืออเนกาทิฐานถามแบบถามแง่เดียวหรือถามหลายๆแงเ่เนี่ยก็วิเคราะห์ถึงคําถามอันนั้นด้วย แล้วก็ถามว่าเป็นสมมุติวิสัยหรือว่าปรมาถวิสัยสมมุติบัญญัติหรือปรมาทบัญญัติหรือปรมาทสัจจานั่นเองหรือคาถามเนี่ยถามอดีตหรือถามอนาคตหรือถามปัจจุบันเนี่ยนะก็หยิบคำถามเหล่านั้นมาพิจารณาให้ท่วนทั่วให้หมดเลยนะเพราะการพิจารณาเนี่ยสำคัญมากนะพิจารณาลักษณะของคำถาม อันนี้ก็เป็นวิจัยอย่างที่สองนะอย่างที่แรกนะทัวนอีกครั้งวิจัยบทอย่างที่สองวิจัยปูชาทีนี้มาดูการวิจัยวิสัชนาบ้างการาถามอย่างที่บอกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วดียังไงเนี่ยนะยงหรือบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเสร็จแล้วคำตอบก็คือว่า เพื่อให้เราเวนยศัสตร์ทั้งหลายทำการบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอันนี้นะคือลักษณะว่าบูชาทำไมแล้วก็วิสัชนาก็ตอบผลแห่งการบูชาไปแต่จริงๆแล้วการวิสัชนาเนี่ยนะการตอบเนี่ยมีอยู่หลายประเภท น, นะตอบแบบเอกังสะพยากรตอบโดยส่วนเดียวหรือตอบทันทีเลยเช่นใครมาถามเราว่าตาเที่ยงหรือไม่เที่ยง แต่ไม่ใช่ตาแบบภาษาไทยเขายุ่งเลยนะอ๋อตาตายไปนนานแล้วอย่างเงี้ยอ๋อตายังใช้ได้อยู่ย่งเงนี่ยาศัพท์ว่าตาภาษาไทยมันหลายความหมายใช่ไหมตาหมายถึงตาที่เป็นพ่อของแม่อันนี้เขาเรียกว่าตาเหมือนกันไหมตาที่หมายถึงตาเนี่ยถ้าตานี่บางทีก็บอกว่าตาอยู่หรือเปล่าตาไหนเนี่ยก็ต้องคุยให้ดีเหมือนกันนะถ้าเป็นภาษาไทยนะก็ต้องแยกตอบเหมือนกันนะ แต่นี้หมายถึงตาที่เป็นภาษาธรรมะเนี่ยนะจักคูว่งางั้นจักคูเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ตอบได้ทันทีเลยว่าไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าเอกังสะพยากรส่วนวิพัชชาพยากรเนี่ยตอบแยกประเภท เ, เช่นคําถามว่าจิตนี้เป็นจิตเนี่ยชาติอะไรจิตมีกี่ชาติอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ต้องแยกตอบใช่ไหม จะไปตอบชาติใดชาติหนึ่งไม่ได้ก็ต้องแยกต่อว่าจิตบางอย่างเป็นกุศลชาติบางอย่างเป็นอกุศลชาติจิตบางอย่างเป็นวิบากชาติจิตบางอย่างเป็นกิริยาชาติทีนี้คำถามว่าอันยินสีเนี่ยเป็นพาวเวต ป, ปรธรรมหรือเป็นสัจชิกาต ป, ประธรรมอันยินสีเนอันยินสีเป็นสัจชิกาตประธรรมหรือว่าพาวเวตปรธรรม อัญญีนีเนี่ยองคธรรมคืออะไรคือโสดาปฏิผลดโสดะท า, ามีมักสกะท า, ามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลและอรหัตมักหมายถึงมักสามผลสามมักเบื้องเบื้องบนสามผลเบื้องล่างสามนี้เรียกว่าอัญญินรียเขาถามว่าอัญญินรีทั้งหกอย่างนี้เป็นภาเวตปรธรรมหรือสัจจิกาตปรธรรมก็ต้องแยกตอบว่า สามัญญผลสามเป็นสัจชิกาตประธรรม อ, นนะอริยมรสามเป็นภาเวตประธรรมคำถามประเภทนี้ต้องแยกตอบเนี่ยนะก็แยกตอบอันนี้เป็นวิพัชชพยากรเนี่ยนะต้องแยกตอบส่วนปฏิปุชพยากร์เนี่ยนะก็ต้องย้อนถามเขาก่อนแล้วเขาจึงตอบเขาเขาถามมาบางทีเรายังจับคำถามเขายังไม่ได้เลยนะรีบตอบเข้าไปเลยเนี่ยแทนที่จะดีกลับเสียเลยเช่นเขาถาม่า โสตเหมือนกับจับสุจับสุเหมือนกับโสตหรือตาเหมือนหูไหมหูเหมือนตาไหมคขาก็ต้องถามว่าเอ๊ะหมายในแง่ name, ไหนล่ะหมายในแง่อินทรีย์เนี่ยนะไม่เหมือนกันตานี่เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ความเป็นอินทรีย์เนี่ยตากับหูไม่เหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่ความเป็นสังคตะลักษณะที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะตาตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแยกตอบอนนคือย้อนถามเขาไปนะย้อนถามแล้วจึงค่อยตอบว่าเขาเขาถามในแง่ไหนตรงนี้เป็นการทบทวนคำถามนั่นเองเพื่อให้รู้ประสงค์ว่าเขาถามอะไรส่วนคำถามบางอย่างก็เป็นถ้าปนาพยากรณ์ไม่ต้องตอบเสียเวลามากเขาถามว่าแก้วกาแฟเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> เขาสมควรมีคู่ได้หรือยัง เขากินข้าวหรือยังไม่รู้นะค้าถามแบบนี้เราต้องตอบด้วยไหมไม่ต้องเลยนะแต่ตอบแล้วคนตอบเนี่ยมันจะเป็นหนักกว่าคนถามอีกในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าอ่านแล้วจะมีคาแบบนี้เหมือนกันเขาถามว่าสัตว์เนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัตว์สรุปสัตว์เที่ยงหรือไม่เที่ยงเ <s> นี่ยนะก็สัตว์อะสัตว์เที่ยงหรือไม่เที่ยงสัตว์ตเนี่ยไม่มีโดยสภาวะเนี่ยนะ เมื่อสัตว์ไม่มีอยู่จริงโดยสภาวะแล้วไปถามว่าสัตว์เที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะถามทําไมเหมือนกับเสาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายและเขาอายุเท่าไหร่แล้วเงี้ยนะโอ้ยอย่างเงี้ก็ตอบคุยด้วยไม่ได้แล้วจริงพวกาศาสนาเดียร์ีก็ลักษณะนั้นนะ่ะนะไปคุยต่อไม่ได้อยู่แล้วก็ถามว่าเอชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นรึอันไห น, นก็อันนี้ก็ไม่ต้องตอบนะคําถามที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบมีอยู่สิบคาถาม ปัญหาเรื่องอัตตาและโลกก็ถามว่ า, าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าใครบอกว่าโลกเที่ยงสัตตะโลกไม่เที่ยงอุเฉตหรืออัตตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะถ้าบอกว่าเที่ยงสัตตะถ้าไม่เที่ยงอุเฉตสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกถ้าบอกว่าเป็นอีกสัสตะถ้าไม่เป็นอีกอุเฉตเนี่ย โลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดตอบยังไงมันก็มันก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะคนถามเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจผิดเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนกบสมมตินะอยู่ๆแล้วมีคนมาชี้ทิศทิศตะวันออกว่าเขาจะไปทิศเนี้ยจากนี้ไปตะวันออกเนี่ยกี่ไปถึงอินเดียนี่กี่กิโลอย่างเง้นะเขาชี้ไปโนนชี้ไปเวียดนามเงี้ย นั่นก็คำถามบางอย่างเนี่ยไม่ต้องไปตามตอบเลยของาะงัน้นเถอะก็ทำยังไงพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอย่างเดียวนะมีหลายสูตรมากมีบางพระบางรูปเลยนะก็ไปถามพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบเขานะเขาจะสึกเนี่ยนะว่าพระพุทธโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่ถ้าพระพุทธเจ้ารู้ก็ให้รู้ให้ตอบว่ารู้ถ้าไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้ถ้าไม่ตอบเขาจะสึก แล้วพองษ์ก็บอกเอา้าแล้วเราได้พูดไว้กับเธอหรือว่าถ้าทันตอบแล้วเธอจะต้องบวชต่อไปเนี่ยนะได้ทําตกลงกันไวหรือเปล่าก่อนจะบวชก็บอกไม่ได้เอาแล้วมาทวงเอากับใครมากระเถงก็ลักษณะนี้ก็มีนะแต่แล้วพงษ์บอกถามมาถึงตอบว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะนะเช่นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเนี่ยคําถามอันนี้ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยตอบแล้วอย่างเนี้ยเธอจะเบื่อนหน่ายในวตาขึ้นไหมจะปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งมรรคผลนิพพานไหม จะเห็นอริยสัจเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันหลักการอันนี้เนี่ยไม่ควรไม่ควรถามหรือคําถามไม่ค่อยดีเลยเช่นว่าใครผัสสะใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ควรตอบว่าใครผัสสะก็บอกว่าผัสสะสภาวะเป็นยังไงผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยอันนี้ตอบได้แต่บอกว่าใครผัสสะนะแล้วตาเป็นใครล่ะ แล้วก็ผมถามบางอย่างก็ไม่ต้องตอบอะไรอย่างในคาถาปูชาจะปูชนียานังเนี่ยนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็เป็นวิพัชนพยากรเนี่ยนะเป็นการแยกตอบเ พ, ออเพราะอะไรเพราะว่าเขาถามว่าพาหูเทวามนุษย์สาจมังคลานิอาจินตะยงอตั ง, างคามนาโสทานางังพรูหิมังคลามุตตะมังเนี่ยนะคือพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเขาสนใจเรื่องมงคลมากเขาสงสัยในเรื่องมงคล เขาช่วยกันมาคิดเรื่องราวเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นก็มาถามพระองค์ว่าอะไรเนี่ยเป็นมงคลเหมนะถามพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็เลยตอบว่ามงคลมี38แนะแต่แต่ขึ้นต้นด้วยวาการไม่คบคนพ่านการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลเนี่ยนะก็ไล่อย่างเงี้ยไปครบ38มงคลเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการถามแต่ก็แยกตอบจำแนกตั้ง38ปประเภทเนี่ยนะนะ ทีนี้ข้อต่อไปนะอย่างข้อที่สี่ปุภาประวิจยะปุภาเนี่แปลว่าก่อนนะอะประแปลว่าหลังเพราะนั้นปุภาประก็คือก่อนกับหลังนั่นเอง